วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11กักยาดาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่เราได้จัดให้มีการฟังเทศฟังธรรมตอนนี้ได้ปรับผลังใหม่เดิมทีเคยจัดการแสดงทุกสี่วันเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ญาติโยม อ, อยู่บ้านกัน ไม่ได้ออกมานอกบ้านก็เลยแสดงธรรมส่งไปที่บ้านทุกสีว่วันตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปญาติโยมออกจากบ้านได้มาวัดกันได้ก็เลยปรับให้ตรงกับวันที่ยึสะดวกของญาติโยมคือวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดชดเชย และวันพระนี่คือผังตารางของการแสดงธรรมในปัจจุบันคือทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดชดเชยและวันพระเป็นวันที่ท่านทุกคนที่ต้องการจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือมาทำบุญ มาสงทนาธรรมก็ขอให้มาตามวันดังกล่าวส่วนวันอื่นนี้ขออนุญาตอย่ามาเพราะจะไม่สะดวกในการต้อนรับจะได้มีเวลาพักผ่อนมาวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันหยุดชดเชยและวันพระ ถ้าการมาฟังธรรมก็ต้องช่วยตัวเองพึ่งตัวเองในเรื่องที่นั่งที่ปูนั่งเช่นเสือ่อหรือผ้าหรือเก้าอี้ถ้าเอามาเองได้จะสะดวกกว่าจะดีกว่าในยุคของการที่ยังมีเชื้อโรคแพร่ระบาดอยู่ การที่เรามาใช้ของร่วมกันนี้ก็อาจจะเอาเชื้อโรคมาแจกกันก็ได้ดังนั้นก็ให้เอาที่นั่งของเรามาเองเอาของใช้ของเรามาเองเอาที่เช็ดมือเอาน้ำยาล้างมือมาเองเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จก็จะได้ทำความสะอาดมือเราได้เอาหน้ากาก ใส่หน้ากากและเวลามานั่งก็ถ้าเป็นคนละกลุ่มกันก็อยู่ห่างกันหน่อยถ้ากลุ่มเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่นั่งใกล้ชิดกันได้วิธีนี้ก็จะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิดสิบเก้าแล้วก็อาจจะต้องหา่วมมาเอง เพราะวงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนบางทีฟังธรรมไปได้สังระยะหนึ่งฝนก็มาเทวดามาขอร่วมด้วยเอาน้ำมนต์มาแจก mm hmm. ก็ถ้าไม่มีร่มก็ต้องหาที่หลบที่นี่ที่มงที่บางก็ไม่มีไม่มากนี่คือสภาพของการมาฟังธรรมที่นี่ในปัจจุบันนี้ แล้วก็ขอความกราณาว่าอย่ามาขอสร้างที่บุงที่บงังอะไรเพราะมันจะไม่เป็นธรรมชาติสถานที่มีการก่อสร้างนี้มันจะทําให้ความเป็นธรรมชาติมันหายไปเนี่ยบรรยากาศการฟังธรรมนี้จะไม่ได้รสชาติถ้ามันไม่เป็นธรรมชาตินถ้า ถ้ามันเป็นธรรมชาติถ้าญาติโยมก็อยู่บ้านไปก็ได้ฟังจากการถ่ายทอดสดไปก็ได้นะ น, นี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมส่วนการมาฟังธรรมนี้คือการมาสร้างปัญญามาเจริญปัญญา พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของคนฉลาดของคนที่มีปัญญาคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย mm hmm. ท่านมีปัญญาระดับโล ก, กุตระคือระดับเหนือโลก mm hmm. เป็นปัญญาที่ไม่มีใครรู้ในโลกนี้ mm hmm. ไม่ว่าจะไปศึกษาจากสถาบัน ไหนก็ตามในโลกนี้จะไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกต้องมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้ยการฟังเทศน์ฟังธรรมปัญญานี้เป็นความรู้ที่จะดับความทุกข์ใจต่างๆได้หมด ความรู้ทางโลกนี้ต่อให้เรียนจบระดับปริญญาเองได้ปริญญาขีา่ใบก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้คนที่เป็นด็อกเตอร์ก็ยังร้องห่มร้องไห้อยังเศร้าโศกเสียใจยังวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆได้แต่คนที่ได้ปัญญาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะไม่มีความทุกข์เข้ามารบกวนใจเลยใจจะเย็นใจจะสุขใจจะสบายตลอดเวลานี่คือความแตกต่างระหว่างปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมทางโลกเราก็ศึกษากันมามากพอแล้วได้ปริญญากันหลายใบนะ หลายระดับด้วยกันแต่ใจของพวกเราก็ยังว่าวุ่นขุ่นมัวยังวิตกกังวลยังหวาดกลัวยังเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆอยเพราะความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะมารักษาโรคของใจคือความทุกข์ใจได้ ต้องอาศัยความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมนี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญานี้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี้ก็มีขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการเพาะปลูกก่อนจะมีต้นไม้ได้ก็ต้องมีการเพาะปลูกมีการหว่านเมล็ดพืช เอ า, มาเมล็ดพืชของต้นไม้นี่ลงดินแล้วก็คอยรดน้ำพนดินคอยรักษาต้นไม้ป้องกันภัยที่จะม า, าทำลายต้นไม้อันนี้ก็เป็นขั้นที่สองของต้นไม้ขั้นแรกก็เพาะปลูกพอต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตก็คอยทำรกบำรุง ใส่ปุ๋ยใส่อะไรอยู่เรื่อยๆใส่น้ำรดน้ำผวนดินคอยกำจัดวัชพืชคอยกำจัดมแมลงสัตว์ต่างๆที่จะมากัดกินต้นไม้ถ้ารักษาต้นไม้ไว้อย่างปลอดภัยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปถึงขั้นที่สคือท่านออกด อ, อกผล ต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลเป็นมะม่วงก็จะออกลูกมะม่วงออกออกดอกมะม่วงก่อนแล้วก็ต่อมาก็ออกผลมะม่วงตอนนั้นคนปลูกก็จะได้รับประโยชน์จากผลมะม่วง<ม>คือเอาไปรับประทานเลยปัญญาก็แบบเดียวกันปัญญานี้ก็เป็นสามระดับมีสามระดับระดับแรกคือระดับพ่อปลูก เราต้องเอาเมล็ดปัญญาของพระพุทธเจ้าจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกผู้มีปัญญาเราเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาปลูกฝังในใจเราด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนต่างๆปัญญาระดับแรกนี้มีชื่อว่า สุตรธรมยปัญญาสุตรแปลว่าพระสูตรต่างๆนี่หรือหลักสูตรต่างๆของพระพุทธศาสนาหลักสูตรของไตสิกขาศีนสมาธิปัญญาทานศีนภาวนามรรคแปดเนี่ยอันนี้เรียกว่าสูตรหลักสูตรวิชาของพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ศึกษาด้วยการอ่านด้วยการฟังเราก็จะไม่รู้ความรู้เหล่านี้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรกันเพื่อที่เราจะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปดังนั้นขั้นต้นของกระบวนการการสร้างปัญญา คือการปลูกฝังปัญญาไว้ในใจของพวกเราเหมือนกับการเอ า, มาเมล็ดมะม่วงลงดินนั่นเองอถ้ า, มาเมล็ดมะม่วงไม่ลงดินมันก็จะไม่มีวันงอก ง, งามจเจริญขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงเป็นผลมะม่วงออกมาได้อต้องเอาเมล็ดมะม่วงมะม่วงนี้ลงดินให้ได้ก่อนปัญญาก็เหมือนกัน ปัญญาที่เราจะเอามาใช้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็ต้องอาศัยการปลูกฝังปัญญานี้ไว้ในใจของเราการปลูกฝังนี่ก็คือด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี่เช่นตอนนี้เรากำลังเอามล็ดของปัญญาของพระพุทธเจ้ามาปลูกฝังไว้ในใจของพวกเรา มาฟังทำมาฟังคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เราสร้างความรู้ความที่ตรงกับความเป็นจริงคําสอนที่พวกเราชาวพุทธคงจะได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้อยู่เรื่อยๆจากบทสวดมนต์ก็คือส่งสอนให้เราเราลึกถึงความเป็นจริงของร่างกาย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 ร่วงพ้นการพัดพาดจากกันไปไม่ได้นี่คือความรู้ขั้นที่หนึ่งยกตัวอย่างซึ่งยังมีความรู้อีกหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้แต่วันนี้ยกตัวอย่างเรื่องของร่างกายของพวกเราที่ให้เราเรียนรู้ความจริงของร่างกายของพวกเราว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้ถาวอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ร่างกายเราแก่ลงไปเรื่อยๆแต่เราจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายถ้าเราดูกระจกทุกวันก็จะรู้สึกว่าเหมือนคนเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราภาพถ่ายที่เราถ่ายไว้เมื่อสักห้าปีสิบปีก่อนมาดูมาเปรียบเทียบกับภาพของเราในวันนี้ เราก็จะรู้สึกว่าร่างกาย5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วกับร่างกายนี้เหมือนเป็นคนละคนกันนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของมันจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่คนชราเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดก็เป็นคนตายไป อันนี้คือปัญญาที่เราต้องเอามาปลูกฝังไว้ในใจคือให้เราไม่ลืมมันนให้รู้ความจริงอันนี้เพราะถ้าเราลืมเราจะอยากทันทีอยากให้ร่างกายไม่แก่พอเห็นผมขาวเส้นหนึ่งก็รีบถอนออกทันทีหรือถ้าถ้ามันถขาวมากๆ ก, ก, ก็ต้องย้อมมันเพื่อมันจะได้ดูไม่แก่น แล้วสมัยนี้ก็มีสัญญกรรมตกแต่งถ้าเริ่มเหี่ยวย่นตรงไหนก็ไปทำสัญญกรรมดินให้มันตึงนี่เป็นพ่อลืมปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีไว้ในใจเพื่อดับความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องของความแก่ถ้ามีปัญญารู้ว่าต้องแก่แล้วก็เปลี่ยนแปลงความจริงนี้ไม่ได้ mm. ก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องการ ป้องกันความแก่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปคอยย้อมผมคอยไปถอนผมหงอก<ม>คอยไปดึงหนังให้มันแต่งมันตึงอยู่เรื<ม>่ อ, อยเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องหย่อนอยู่ดี<ม>ดึงไปได้สักพักถึงเดี๋ยวมันก็หย่อนอ<ม>ถ้ามีปัญญามันก็จะยอมรับความจริง<ม><ม>ก็จะไม่ทุกกับความแก่ของร่างกาย เช่นเดียวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของร่างกายและการพัดภาคจากร่างกายของผู้จากบุคคลที่เรารักครอบครัวของเราสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดาปุย่าตายายร่างกายของคนทุกคนเหล่านี้ย่อมมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา ถ้าเราลืมเราจะทุกข์ทันทีเวลาที่เราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปเราจะร้องหมร้งองไห้เพราะเราลืมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามามาจดมาจำกันนั่นเองจึงต้องมีขบวนการที่สองเพื่อรักษาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ให้อยู่ในใจให้เจริญติบโตกขึ้นไป ปัญญาขั้นที่สองนี้ท่านเรียกว่าจินตาเมยปัญญาจินตาก็แปลว่าจินตนาการนี้ระลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆเพราะถ้าเราไม่ระลึกถึงมันปับ๊บเดี๋ยวเราจะเลิมทันทีเพราะว่าในแต่ละวันนี้เราต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆอยู่เรื่อยๆ คิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องธุรกิจเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องภาระอะไรต่างๆที่จะต้องไปทำํำ <inte> พอเราไม่คิดถึงเรื่องเก่าเอาเรื่องใหม่มาคิดก็เหมือนเอาของใหม่มาทับของเก่าไว้เช่นเอาหนังสือมากระดาษจดหมาย <S 2> <S 2> หรือเนี่ยมามาทับทับกันไว้ของเก่ามันก็จะอยู่ข้างล่าง เราก็จะเห็นแต่ของใหม่ที่อยู่ข้างบนอย่า <Yeah. S 1> งเราต้องคอยดึงเอาของเก่าขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ด้วยการเราลึกถึงมันอยู่เรื่อ mm hmm. ยๆคือเราต้องดึงปัญญาที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้านี้มาให้มันอยู่กับใจเราอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันถูกเรื่องราวอื่นๆมากบมันนั่นเอง <Yeah. S 1> จึงต้องคอยเราลึกถึงความตาย ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอพระอาโนนเนี่ยอาโน์นี้เป็นพระอุปถาเป็นพระผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ารับใช้พระพุทธเจ้าคอยเป็นเหมือนเลขาของพระพุทธเจ้าเพระพุทธเจ้าก็ถามอานน์ว่าอานน์วันอย่างนี้เธอระลึกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันเย อนุ์ก็ตอบว่าวันละสามสี่ครั้งสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนพร <Yeah. S 1> ะพุทธเจ้าบอกว่าไม่พอหรอกอ น, นุนนี่เธอยังประมาทอยู่ก <Yeah. S 1> ารที่เธอจะไม่ประมาทนี้ <Yeah. S 1> เธอต้องระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลย <Yeah. S 1> หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตาย <Yeah. S 1> ให้คิดอย่างนี้ <Yeah. S 1> หายใจออกแล้วถ้าไม่หายใจเข้าก็ตาย แต่สำหรับชีวิตของคารวะาญาติโยมนี้คงยังทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นพระนี่ทำได้เพราะพระไม่มีภารกิจการงานอื่นๆที่จะต้องคอยทำคอยคิด mm hmm. ก็สามารถเราเลกถึงความตายได้ทุกลมหายใจเข้าออก mm hmm. นี่คือเรียกเราจินตามายปัญญาคือการหมันรักษาต้นไม้ที่เราปลูกนี้ ให้มันเจริญเติบโตกขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการเราเลึกถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเช่นวันนี้เรายกตัวอย่างทรงสอนให้เราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตาย เ, าเลึกถึงการพัดพากจากกันว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้เราจะต้องพบมันอย่างแน่นอนถ้าเรา ไม่ลืมเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความจริงเพราะรู้ว่าฝืนไม่ได้ฝืนก็ทุกข์เท่านั้นเองถ้าฝืนความจริงอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝืนไม่ได้ทําใจยอมรับมันดีกว่า ถ้ายังทำใจใจยังไม่ยอมรับเราก็ต้องทำใจให้ยอมรับให้ได้ด้วยการเจริญปัญญาขั้นที่สามขั้นที่สองนี่คอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมลว่าเราต้องแก่เนาะเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องตายนะ<ม>เราต้องพัดพลาจากกันแต่เตือนมาแล้วแต่มันก็ยัง ไม่ฟังมันยังดื้ออยู่มันยังไม่ยอมรับความจริงอยู่พอเห็นผมหงอกก็ยังพยายามถอนมันอยู่พอเห็นผมขาวก็ยังพยายามไปย้อมมันอยู่นี่ต้องต้องต้องพัฒนาความรู้ขั้นที่สองนี้ปัญญาขั้นที่สองนี้สู่ขั้นที่สามขั้นที่สามนี้ต้องฝึกต้องทำใจให้สงบ ต้องนั่งสมาธิหัดนั่งสมาธิกันทำใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้เวลาใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วทีนี้ใจจะไม่ไม่ไม่ต่อต้านความจริงไม่ต่อต้านความแก่ความเจ็บความตายเวลาแก่ก็จะเฉยได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเฉยได้เวลาตายก็จะเฉยได้ เวลาพัดพากจากกันก็จะไม่ร้องหม่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเ <Yeah. S 1> พราะรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน <Yeah. S 1> ถ้าถ้ามีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิมีอุเบกขา <Yeah. S 1> พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็สามารถที่จะทำใจให้รับรู้เฉยเฉยไม่ให้ทุกข์กับมันได้ yeah. เรียกว่าปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาไมายะปัญญาต้องมีภาวนาคือส ม, มะถะภาวนามาสนับสนุนปัญญาที่เราได้จากจินตามายะปัญญา<ม>คือความรู้เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันว่า เป็นความจริงแล้วเราไม่เราไม่ลืมเรารู้ทุกวันทุกเวลาเตรียมตัวรับกับมันทุกเวลาแต่ยังสู้มันไม่ได้ยังอดที่จะไปย้อมผมไม่ได้ยังอดที่จะไปดึงหน้าไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังอดที่จะทุก์ไม่ได้ยังกลัวอยู่กลัวความตายอยู่กลัวความเจ็บอยู่ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งใจก็สั่นขึ้นมาทันที ทั้งที่ใจไม่ได้เป็นมะเร็งด้วยเลยผู้ที่เป็นก็คือร่างกายน่่งกายเขาเฉยๆก็ เ, เป็นอุเบกขาตั้งแต่เกิดจนตายเพราะเขาไม่มีความรู้สึกในร่างกายเขาไม่เดือดร้อนแต่ใจนี่ไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะใจถูกโมหะอวิชชาคือความหลงความโง่ มากล่อมมาหลอกใจว่าร่างกายเป็นใจนั่นเองใจหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นใจนพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยสั่นไปพอหมอบอกเป็นมะเร็งนะร่างกายมันเป็นมาตั้งก่อนไปหาหมอแนละ้วร่างกายมันไม่สั่นมันไม่เดือดร้อนแต่คนที่ไปหาหมอคนที่พาร่างกายไปหาหมอคือใจเนี่ยพอหมอบอกเป็นมะเร็งเขาสั่นขึ้นมาทันที แต่พอหมอบอกว่าไม่เป็นมะเร็งก็โล่ง อ, อกขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เป็นกับอะไรกับร่างกายเลยแต่เพราะความหลงนความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยเดือดร้อนขึ้นมาแทนร่างกายทีนี้ถ้าเรามาฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆมาหัดทำใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา ให้นิ่งได้นานๆ น, นั่งสมาธิสงบทีละสามสิบนาทีห้าสิบนาทีชั่วโมงกว่าเวลาใจออกจากสมาธินี้ใจจะมีอุเบกขาอย่ายังยังเย็นอยู่ยังสบายอยู่ยังรู้สึกเฉยๆอยู่ถ้าตอนนั้นถ้าไปได้ข่าวว่าเป็นมะเร็งก็จะเฉยๆได้แล้วถ้ามีปัญญามาสอนด้วยว่า ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาก็เลยรู้ว่าฝืนไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นไม่เป็นวันนี้ก็ต้องเป็นพรุ่งนี้ไม่เป็นโรคนี้ก็ต้องเป็นอีกโรคนึงว่าเราทุกคนมีโรครอรอเราอยู่ทุกคนบางคนก็เป็นโรคมะเรง็งบางคนก็เป็นโรคหัวใจบางคนก็เป็นโรคปอดโรคตายสารพัดโรค ทีนี้จะทุกข์หรือไม่ทุกข์กับมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีปัญญาระดับที่สามหรือไม่ปัญญาระดับที่สามก็คือความรู้ที่เราไม่หลงไม่ลืมที่เราได้เรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมเราเอามาเจริญอยู่เรื่อยๆมาคิดอยู่เรื่อยๆเหมือนที่ท่านสอนพระอานุน์ให้คิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย หายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายความตายก็อยู่แค่ที่ลมหายใจนี้เองพอไม่หายใจมันก็ตายแล้วก็ต้องหยุดหายใจสักวันใดวันหนึ่งด้วยกันทุกคนพอเรารู้ความรู้อันนี้แล้วแต่เรายังทำใจไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิกำลังสมาธิไม่พอ ยังไม่มีอุเบกขาที่จะทำให้ใจเฉยๆการทำใจก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขานี่เองทำใจให้เฉยใจจะเฉยได้ก็ต้องเข้าสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิการจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ดึงเข้าธรรมดาใจของเรานี้จะถูกปิเลตตันหาโวหาอาวิชชา คอยด้านออกจากาออกข้างในไปสู่ข้างนอกนกิเลสตัณหาจะดึงใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลภัณฑ์กันไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูหนังที่ไหนดีไปฟังเพลงที่ไหนดีไปกินไปดื่มที่ไหนดีเนี่ยนี่คืองานของกิเลสตัณหามันจะคอยดึงให้ใจเราออกไปข้างนอก ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางร่างกายเราเราต้องใช้ร่างกายเราถึงสามารถไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ร่างกายก็เลยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาจึงต้องไม่อยากให้มันแก่กันไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้มันตายกัน พราะเวลามันแก่มันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมันจะตายนี่ไปเที่ยวไม่ได้แล้วไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปงานต่างๆไม่ได้ไปกินไปเดินตามร้านอาหารต่างๆก็จะไปไม่ได้เราจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่ถ้าเราคอยดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติเช่นพุทธโธนี้เป็นสติอย่างหนึ่ง ถ้าเราหมาันเรเล็กถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธความคิดที่จะไปดูหนังฟังเพลงคิดที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็หยุดไปเพราะว่ามันต้องมาคิดพุโทโธแทนนั้นพอเราคิดพุโทโธพุธโทโธใจแทนที่จะออกข้างนอกมันก็จะเข้าข้างในมันก็จะถอนตัวเองออกจากร่างกายออกจากตาหูจมูกลินกาย ถ้าสติมีกำลังต่อเนื่องและไม่มีกำลังมากกว่ากำลังของกิเลสตัณหาใจก็จะเข้าไปรวมอยู่ข้างในเป็นสมาธิขึ้นมาใจก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นอุเบกขาแล้วก็ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือ การจเจริญสมถภาวนาด้วยสติเช่นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธมีวิธีอื่นด้วยไม่ใช่พุโทโธอย่างเดียว <m akes of consciousness> จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกตอนที่นั่งสมาธิก็ได้เวลาเริ่มต้นถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้จะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หนือถ้าสวดมนต์ไม่ได้ ใช้การฟังธรรมก็ได้เนี่ยเวลาฟังธรรมเราก็ต้องมีสติในการฟังใจของเราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องทางของกิเลสเนใจก็จะตั้งใจฟังเนี่ยอย่างญาติโ ย, ยมที่มานั่งฟังเนี่ยนั่งสมาธินั่งเฉยๆฟังไปได้ถึงชั่วโมงหนึ่งอย่างสบายแต่ถ้าให้นั่งเฉยๆไม่มีอะไรให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวไม่ถึงห้านาทีก็อยากจะลุกแล้ว เ, เพราะว่าเหมือนกับใจไม่มีงานทะ ใจขี้เกียจสวดมนต์ใจขี้เกียจพุโทโธใจขี้เกียจ ด, ดูลมหายใจเข้าออกมันก็เลยทําให้นั่งไม่ได้นานแต่ถ้ามีอะไรให้ทําเช่นถ้ายังนั่งสวดมนต์ไม่ได้นั่งพุโทโธไม่ได้นั่งดูลมไม่ได้ก็นั่งฟังเทศไปก่อนหาเทศที่เราชอบที่เราชอบฟังเวลาเราฟังในอะไรที่เราชอบมันจะเพลิดเพลิน เวลามันจะผ่านไปเร็วการฟังธรรมนี้ก็เป็นการกล่อมใจให้เข้าสู่ข้างในเหมือนกันแต่อาจจะไม่ลึกเท่ากับการดูลมหรือกับใช้พุโทโธตอนต้นเราก็ถ้าเราดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้เราก็ฟังธรรมไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนพอฟังธรรมไปผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วใจรู้สึก เฉยๆไม่รู้สึกอยากจะไปคิดถึงเรื่องไปเที่ยวไปทาอะไรถ้าอยากจะให้เข้าลึกกว่า น, นั้นก็ต้องมาดูลมหายใจต่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้ที่ปลายจมูกตอนที่ลมสัมผัสเข้าออกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวให ปล่อยให้ลมหายใจเขาตามธรรมชาติของเขาเราไม่ต้องมาควบคุมบังคับลมเพราะจะทำให้ใจต้องทำงานนั่นเองตอนนี้เราต้องการให้ใจพักผ่อนให้ใจหยุดทำงานใจจะหยุดทำงานได้ใจต้องรู้เฉยเฉยไม่คิดอะไรไม่ทำอะไรไม่สั่งการให้ร่างกายหายใจลึกหายใจไม่ลึกหายใจอะไรต่างๆให้รู้เฉยเฉย รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือว่าตอนนี้กำลังหายใจออกบางท่านก็อยากจะใช้พุทธโธมามากำกับอีกอีกครั้งอีกอีกอีกอันหนึ่งก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธบางท่านก็ชอบยุคหนอพองหนอก็เปลี่ยนที่ดูลมจากปลายจมูกมาดูที่หน้าท้องแทนหน้า อ, อกหน้าท้อง เวลาหายใจเข้าท้องก็พองขึ้นมาก็ว่าพองหน อ, อเวลาหายใจออกท้องก็ยุบเข้าไปก็ว่ายุบหนอ อ, อันนี้แล้วแต่ละคนจะเลือกทํานะบางค น, นําคาญยกหนอพองหนอนําคารพุทเข้าโทออกก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ดูลมเฉยๆอย่างเดียวก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้แต่ต้องดูเฉยๆ บางคนไม่ชอบดูลมก็ท่องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้ถ้าท่องพุทโธอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปสนใจกับลมลมจะเข้าจะออกหรือไม่ก็ไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้เผลอไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงกาแฟคิดถึงเพื่อนคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงอะไรต่างๆก็แล้วกันปล่อยดึงเหมือนไว้ให้อยู่กับพุทโธไ ป, ไป น, น, น, น, น, นะ แล้วพุโทโธนี้จะดึงใจให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายให้เข้าสู่เข้าไปข้างในศูนย์กลางของใจที่คือที่เรียกว่าความสงบที่ความเป็นหนึ่งศูนย์กลางของใจนี้มีหนึ่งเดียวคืออะไรคือผู้รู้นี่เองเอกขัตตารงคือผู้รู้สัตธวรมรู้ตอนนั้นทุกอย่างจะหายไป เ, ปเหลือแต่ผู้รู้ แม้แต่ร่างกายนี้ก็จะหายไปจากการรับรู้ของผู้รู้ก็อาจจะทำให้เห็นว่าอ๋อร่างกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันจริงๆเวลาร่างกายเป็นไรตอนที่อยู่ในสมาธินี้มันไม่มากระเทือนใจเลยอตอนที่อยู่ในสมาธิร่างกายเป็นไรใจก็ไม่รู้เลยตอนนั้นจะถูกมดกัดถูกแมลงกัดเลืออะไรก็ไม่รู้เลยเพราะใจตอนนั้นถอน จากการรับรู้เรื่องของร่างกายไว้ชั่วคราวคล้ายๆกับตอนนอนหลับเนี่ยต่างกันตอนที่ตอนนอนหลับนี้ไม่รู้อะไรเลยเหมือนคนสลบสลาย แ, ลแต่ตาเวลาอยู่ในสมาธินี่รู้อยู่ตลอดเวลารู้เหมือนตอนที่ไม่ได้นั่งไม่ได้เข้าสมาธิรู้ว่าตอนที่ไม่ได้เข้าสมาธินี้มีความคิดมีเสียงมีอะไรแต่พอเวลาเข้าสมาธิไป รู้ว่าเสียงหายไปร่างกายหายไปเหลือแต่ผู้รู้ตัวเดียวแล้วก็ความสุขที่เกิดจากความสงบต้องเจอตัวนี้ด้วยถึงจะเป็นของจริงต้องเจอนัตติสันติพลังสุขขังคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีต้องเจอตัวนี้ถึงจะเรียกว่าเจอสมาธิจริง ถ้านั่งไปเรารู้สึกว่างรู้สึกอะไรหายไปหมดแม้กระทั่งสติหายไปนี้ก็ไม่ใช่สมาธิ<ม>เรียกว่าผวังหลับเข้าผวังหลับ<ม>ต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขที่มหัสะท้านใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเพราะต้องเจอความสุขตัวนี้ถึงจะทําให้เรานี้มีความยินดีที่จะฝึกสมาธิต่อไป เพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าความสุขที่เราได้จากการฝึกสมาธินี้มันดีกว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิดนัดต่างๆ<ม>เราก็จะได้เลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลดิดน<ม>ัดเพราะการหาความสุขจากรูปเสียงกลิดนัดนี้มันมีปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันต้องมีให้ครบเช่นตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องสมบูรณ์ รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจเราถ้าไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจเราแทนที่จะได้ความสุขก็ไปเจอความทุกข์ซะอีกเช่นเสียงเสียงก็ต้องเป็นเสียงหวานเสียงชมถ้าไปเจอเสียงแหบเสียงกระด้างเสียงดุด่าว่าเก่าความสุขที่จะได้จากเสียงก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเห็นการหาความสุขทาง ตาหูจะบุกลิ้นกายนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีตั้งใจจะมาหาความสุขกลับไปเจอความทุกข์กันเดินทางจะไปเที่ยวไปเจออุบัติเหตุรถเสียยางแตกแทนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องไปนอนกลางทางอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบเรื่องของการหาความสุขสองแบบ ความสุขที่หาจากการไปเที่ยวตาหูจมูกลิ้นกายกับความสุขที่ได้จากการเจริญสติพุทโธพุทโธเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันมีความยากง่ายต่างกันการไปเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายมันง่ายเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอมีเงินปั๊บก็ไปได้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ แต่มันมีอุปสรรคเวลาเงินหมดเวลาไม่สบายนี่มันจะไปไม่ได้แต่การฝึกสตินี้ตอนต้นมันจะยากเพราะใจไม่ค่อยยอมอยู่กับพุโทโธไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบดูลมหายใจเข้าออกพ อ, อดึงมันมาทำในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็รู้สึกเกิอดอัดขึ้นมา สังเกตไหมพอเราจะนั่งสมาธิปั๊บนี้โอ้เกิดอาการแข็งตรงนั้นขัดตรงนี้อึดอัดตรงนั้นอึดอัดตรงนี้ขึ้นมาแน่นหน้าอกบ้างแน่นหน้าผากบ้างปวดศีรษะบ้างเ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นผลจากการต่อต้านของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบให้เราปฏิบัติธรรมกันกิเลสมันชอบให้เราไปเที่ยวกัน mm. แต่เราก็ต้องอดทนนะ บอกว่ามันเป็นอาการหลอกลวงเป็นมายามันไม่ได้เป็นความความเจ็บจริงๆของร่างกายเวลาไม่นั่งเวลานั่งดูหนังไม่เป็นเลยพอพอไม่นั่งสมาธิเปลี่ยนมาดูหนังดูละครนี่หายไปหมดเลยอาการอดิดอัดแน่นหน้าอกแน่นหน้าผากหน้าท้องทั้งหลายอันนี้ต้องรู้ว่ามันเป็นมายามันเป็นเล่ห์กลของกิเลส ท, ที่จะคอยขัดขวาง การหาความสุขจากการเจริญสติเราต้องอดทนต้องมีความเพียรพยายามต้องหมั่นคิดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้มันต้องอาศัยความเพียรความพยายามความตั้งอกตั้งใจความอดทนอดทนต่อความรู้สึก ที่ไม่ดีต่างๆที่กิเลสมันคอยสร้างขึ้นมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นเรา<ม>ทําไปพุทโธไปดูลมไปมฟังเทศฟังธรรมไปมบังคับมันต้องบังคับ<ม>คือการตั้งใจนี่แหละคือการบังคับเรียกว่าอธิษฐาน<ม>อธิษฐานมาเวลานี้เราจะนั่งสมาธิเราจะฟังธรรม พอถึงเวลาเราก็ต้องบังคับเพราะเราอธิษฐานไว้แล้วเราตั้งใจไว้แล้วพอเราไม่บังคับเดี๋ยวมันก็ทะเลทลายไปทำอย่างอื่นแทนเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิฉะนั้นเราต้องมีความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วก็มีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องมีความอดทน ต่อความรู้สึกต่างๆที่มันคอยมาขัดขวางการเจริญสมาธิของเราอดทนไปทำไปจะรู้สึกอึดอัดยังไงก็อย่าไปสนใจมันพุทธโทรไปฟังทมไปถ้าพุทธโทรไม่ได้สวดมนต์ไปสวดมนต์ไม่ได้ฟังทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆแล้วอุปสรรคต่างๆมันก็จะเบาลงเบาลง แล้วเดี๋ยวก็จะรู้สึกสบายนั่งสบายขึ้นมนะแล้วก็ต่อไปก็ดูลมได้ถ้าดูลมอย่างต่อเนื่องได้เดี๋ยวใจก็จะเข้าไปในสมาธิได้เข้าไปสู่ความสงบได้พอสงบแล้วมันจะรู้สึกแปลกประหลาดมากสักจจใจมันเจอความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เกิดมานี้ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลย ความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เราให้มันมีราคาแพงมากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ต้องได้ความสุขแบบนี้ถึงจะเรียกว่าจิตสงบจริงจิตรวมเป็นสมาธิจริงพอได้ความสุขแบบนี้แล้วทีนี้มันจะติดใจแนละ้วมันจะมีความยินดีที่จะปฏิบัติสมาธิอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็บอกไม่ไปละอยู่อยู่บ้านหรือไปวัดดีกว่าไปฝึกสมาธิไปทำใจให้สงบดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าแน่นอนกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้อะไรเหมือนกับใช้การหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายต้องใช้เงินทองพาเราไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่การฝึกสติเพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสุขนี้เพียงแต่มีที่สงบที่เงียบเยียบไม่มีใครมารบกวนใจแล้วก็มีเวลาว่างที่จะนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพุทโธหรือสวดมนต์หรือฟังเทศฟังธรรมไป แล้วแต่ระดับของการปฏิบัติของเราว่าเราทำได้ในระดับไหนเราก็ทำในระดับนั้นไปก่อนแล้วเราค่อยก้าวขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นไปต่อไประดับง่ายที่สุดก็คือการฟังธรรมอย่างที่เรากำลังนั่ ง, งฟังกันอยู่นี่นี่เราเวลาผ่านไปเกือบ45สบหนาทีแล้วยังนั่งกันเฉยๆได้ไม่รู้สึกเกิดอัดแต่ถ้าลองนั่งคนเดียวดูสิไม่มีการฟังธรรมอยู่นี่ นั่งได้สักสิบนาทีก็จะรู้สึกอยากจะลุกแหละเพราะมันไม่มีอะไรมาทําให้ใจเพลิดเพลินเวลาฟังธรรมมีเรื่องให้เราคอยติดตามเหมือนดูภาพยนตร์เนี่ยดูภาพยนตร์ น, นี่บางทีปวดท้องฉี่ยังไม่อยากจะลุกเลยเพราะว่ามันมีเรื่องให้เราติดตามอยากจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันก็เลยทําให้เรานี้มีความสนใจมีสติคอยจดจ่อ คอยดูภาพยนตร์อยูอ่การฟังธรรมก็อย่างนี้สําหรับผู้เริ่มต้นนี้ถ้ายังนั่งสวดบนไม่ได้นั่งพุโทโธไม่ได้นั่งดูลมไม่ได้ก็เปิดธรรมฟังไปก่อนสมัยนี้ก็มีธรรมอาจเป็นเสียงอาจเป็นภาพไว้ไม่ต้องดูภาพก็ได้ภาพไม่สําคัญเท่าเสียงฟังเสียงดับตาฟังได้ยิ่งดีเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปถ้าลืมตาไว้ฟังไปเดี๋ยวเห็นรูป คนนั้นคนนี้แทนที่อยู่กับการฟังธรรมมันก็มุ่งไปหารูปแทนแล้วก็ไปคิดถึงรูปที่เห็นว่าเป็นรูปของใครดีไม่ดีอย่างไรดีชั่วอย่างไรวิาพากวิจาร์<ม>คิดปรุงแต่งไปอีก<ม>แล้วการฟังธรรมก็จะฟังไม่รู้เรื่องขาดตอนไปเวลาฟังธรร ม, มถ้าอยากจะได้รับรู้เรื่องราวของธรรมที่เราฟังอยู่อย่างต่อเนื่อง<ม>ก็นั่งแบบหลับตา จะดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกสมาธิขั้นต่างๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นถ้ายังนั่งไม่ได้เลยดูลมไม่ได้พูดโทไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนฟังธรรมไม่ได้ก็บังคับฟังไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวก็ฟังได้เองเริต้นอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจก็ต้องหาฝัดหาธรรมะที่ฟังง่ายๆ อย่าไปฟังธรรมที่มันยากบางทีธรรมะภาบางรูปอาจารย์บางรูปท่านสอนภาษาแขกส่วนใหญ่เราเป็นคนไทยฟังแล้วก็งงท่านมีแต่บาลีออกมาตลอดเวลาแล้วบางทีออกมาแล้วก็ไม่แปลให้ฟังด้วยว่าแปลว่าอะไรอันนี้จะวัตสังฆาราอุปด่าวยะธรรมิโนเนี่ยนะก็ไม่ได้แปลฟังแล้วมันไม่เข้าใจก็เลยจะทาให ไม่มีความอยากจะฟังนั่นเองที่นี่ถึงมากจะไม่ไม่มีบาลีพยายามใช้ภาษาไทยล้วนๆเพราะมันเป็นเป็นธรร ม, มันเดียวกันบาลีก็เป็นธรมรมภาษาไทยก็เป็นธรรมเพราะภาษาเป็นเพียงสื่อเท่านั้นเองสื่อความหมายความสาคัญอยู่ที่คนฟังฟังเข้าใจหรือไม่ฟังรู้เรื่องหรือไม่ถ้าเอาบาลีมาพูดให้ฟังฟังไม่รู้เรื่อง ก็ไม่มีความสนใจดีไม่ดีเดี๋ยวก็เริ่มคุยกันแลเห็นไหมสังเกตดูเวลาไปงานศพมีใครฟังพาสวดไหยกุศลาธรรมากุศลาธรรมาไม่รู้ว่าสวดอะไรใช่ไหมไม่รู้ว่าสวดอะไรความจริงมันเป็นคําเทศเป็นธรรมะทั้งนั้นเน่ยแต่แล้วเมื่อเราไม่รู้ว่าท่านสวดอะไรเราก็เลยไม่ฟังดีกว่าคุยกันดีกว่าถามคนข้างๆมาไปไหนมาวันนี้ทําอะไรเนี่ย คุยันไปมือก็พนมไปแต่ป่าก็คุยกันไปนี่เป็นสาเหตุจากการที่ไปฟังธรรมที่ไม่รู้เรื่องต้องหาธรรมะที่ฟังรู้เรื่องที่เราเข้าใจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธรรมะของพระป่าของพระป่ า, ปาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะพูดภาษาภาษาคนไม่ไม่ใช่ภาษาพระเพราะพูดให้คนฟังไม่ได้พูดให้พระฟัง ก็ไม่จำเป็นรา ต, ต้องใช้าภาษาพระอันนี้คือการที่จะทำปัญญาระดับที่สามนี้ต้องมีภาวนามาผสมด้วยถึงจะเป็นภาวนาไมายปัญญาคือต้องฝึกสติก่อนให้มีสติถึงจะสามารถมานั่งสมาธิได้ถ้ายังไม่มีสติคอยควบคุมใจนี่ ใจอยากจะคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดใจอยากจะไปอดีตก็ปล่อยให้มันไปอยากจะไปอนาคตก็ปล่อยให้มันไปอยากจะไปกรุงเทพก็ปล่อยให้มันไปอยากจะไปเมืองนอกก็ปล่อยให้มันไปปล่อยให้มันคิดเนี่ยร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้ไปถึงไหนแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติการจะมีสติต้องดึงให้มันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้คือในปัจจุบัน สิ่งที่เป็นปัจจุบันของเราก็คือร่างกายของเรานี้ยะั้นต้องดึงให้มันกลับมาที่ร่างกายให้มันทำงานไปกับร่างกายร่างกายกำลังเดินก็ต้องให้ใจเดินไปกับร่างกายด้วยไม่ใช่ใจไปถึงเชียงใหมนะ่แต่ร่างกายยังเดินอยู่ตรงนี้อยู่ต้องให้มันอยู่กับร่างกายถึงเรียกว่ามีสติเรียกว่ากายยกตาสตินี่เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้ใจมีสติ วิธีที่พูดมาเมื่อก่อนคือพุโทโธนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเราให้ใจอยู่กับพุโทโธก็ได้เพราะพุโทโธมันก็มาจากตัวเราในขณะนี้เองเราเป็นผู้สร้างพุโทโธขึ้นมาถ้าเราให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเราก็จะอยู่ในปัจจุบันได้หรือถ้าเราไม่อยากจะพุโทโธเราเหนื่อยที่เกลียดส่วดพุโทโธพุธโทโธเราก็ให้มันอยู่ที่ร่างกายหรือว่าร่างกายตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ แต่วันตอนนี้กำลังนั่งฟังธรรมก็ให้มันฟังธรรมอยู่กับการฟังธรรมไปน่างกายฟังธรรมใจก็ฟังธรรมไปด้วย <Yeah. S 1> ถ้าร่างกายไม่ได้ฟังธรรมก็ดูลมหายใจของร่างกายต่อก็ได้ <Yeah. S 1> อ น, นี่คือการฝึกสติ <Yeah. S 1> ตนนการสร้างสตินี้เรียกว่าเป็นการภาวนา <Yeah. S 1> เป็นการเจริญสมถะภาวนา <Yeah. S 1> เพื่อ ใ, ใจได้ อปปนาสมาธิให้อุเบกให้ได้อุเบกขาให้ได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้แล้วเราก็มาสนับสนุนใช้กับปัญญาที่เรารักษาไว้ด้วยจินตามายปัญญาคือไม่หลงไม่ลืมว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องแก่แน่ๆต้องเจ็บต้องตายแน่ๆต้องพัดภาคจากกันแน่ๆเพียงแต่ว่าปัญญาขั้นที่สองถ้าขาดสมาธิมันจะไม่มีกําลัง ที่จะรับความจริงนั่นเองมันยังดื้ออยู่มันไม่ยอมรับความจริงมันจะหนีถ้าเจอความตายมันจะวิ่งหนีทันทีแต่ถ้ามันมีมีสมาธมิมันจะมาสนับสนุนมันจะกลายเป็นสมเป็นภาวนาเมายปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาขั้นที่สามัญญาที่จะทำให้ใจไม่กลัวอะไรไม่ทุกข์กับอะไร เจอความตายก็ไม่ทุกข์ไม่กลัวไม่หนีแต่ถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีถ้ายังรักษาร่างกายได้ก็รักษาไปแต่ถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่หนีไม่กลัวปล่อยให้มันตายไปจะไม่ทุกข์กับมันพูดง่ายๆจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความแก่ถ้ามีปัญญาคือความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยว แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันแล้วก็มีสมาธิคือมีอุเบกขามีความนิ่งเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจก็จะสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์มันก็มีหลายระดับหลายขั้นด้วยกันที่วันนี้เราพูดถึงก็ขั้นของร่างกายของเรา เป็นตัวอย่างของการเจริญปัญญา3ระดับเจริญจากขั้นที่หนึ่งคือปลูกฝังเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามามาปลูกไว้ในใจของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายของพวกเราไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายพัดพากจากกันแล้วเราก็มาหล่อเลี้ยงให้มันเจริญเติบโตด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่า กิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันร่วงพน้นสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้อย่าให้มันลืมจากใจของเราแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเกิดความแก่พอมันจะไปย้อมผมถ้าเรามีปัญญาแต่ถ้าสู้มันไม่ได้ก็สแสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสมาธิให้มันมีอุบเบกขาให้ได้ ถ้ามีอุเบกขาแล้วมีปัญญามาร่วมกันพอเกิดความแก่มันก็จะเฉยได้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าเป็นมะเร็งก็จะเฉยได้ไม่ตื่นเต้นตกใจก่อนไปหาหมอเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้ข่าวจากหมอแล้วก็เหมือนเดิมที่ไปก็เพราะว่ายังเห็นว่ายังรักษาร่างกายได้ถ้ายังพอรักษาร่างกายได้ก็รักษาไปถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายอยู่ ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยการไม่รักษาร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายนี้ต้องเอายาพิษมากรอกเอาอะไรมาอุดจมูกท ำ, ทำให้มันหายใจไม่ได้เอาอะไรมารัดคอยเพื่อแม่หายใจถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่การหยุดรักษานี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้ หมอบางคนกลัวรักษาคนไข้แล้วรู้ว่ารักษางานก็ไม่มีวันหายทรมานคนไข้ไปเปล่าๆแต่ก็ไม่กล้าถอดสายยางถอดเครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆออกไปเพราะคิดว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเป็นเป็นการฆ่าผู้หรือถ้าคนไข้สั่งก็คิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายการหยุดการรักษานี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายดะงนั้นไม่ต้องไปกลัวนะ เอนนปุ่ย่าตายายพ่อแม่เราเขาป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกรักษาไม่หายแล้วจะจะเอาสายยงสายยางอะไรช่วยมันก็เพียงแต่รักษาเหมือนกับรักษาต้นไม้รักษาตุ๊กตาที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วถ้าเราหยุดรักษานี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่างั้น ไม่ต้องไปกังวลถ้าไม่ต้องการรักษาไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายสแสดงว่ามีปัญญาสแสดงว่าไม่โง่ไม่ต้องไปดิน้นไม่ต้องไปทุกข์ไปกังวลกับว่ามันจะหายหรือไม่หายเพรารู้ว่ารักษาอย่างไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีรักษาโรคนี้หายเดี๋ยวมันก็มีโรคใหม่มารอรับเราอยู่ดีมันต้องในที่สุดมันก็ต้องตายไปผู้ที่พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะ บางทีเบื่อหนายต่อการรักษาขี้เกียจรักษาไปยังไงเจ็บตัวไปเปล่าๆต้องวันหนึ่งฉีดกี่เข็มเดี๋ยวพยาบาลก็มาเจาะเดี๋ยวหมอก็มาเจาะนอนเจาะอยู่ทั้งวันบางทีแขนขานี่มีแต่รอยเจาะเต็มไปหมดนะ่หายไหมมันก็ไม่หายอยู่ดนะีนี่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่ต้านมันจะไม่สู้มันจะไม่เืนความจริง มันยอมรับความจริงปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันอยู่ได้มันก็ให้มันอยู่ไปปล่อยให้มันหายใจเองปล่อยให้มันกินเองถ้ามันกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินมันดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มถ้ามันหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องหายใจก็เท่านั้นเองแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นการปาณาติบาตไม่ได้เป็นการทาผิดศีลข้อที่หงไม่ไปนรกรับประกันได้ไปสวรรค์ดีไม่ดีไปเป็นพระโสดาบันเลย พระโสดาบันนี้ปล่อยวางร่างกายได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่พ่อแม่ปั้นให้เรามาสร้างให้เรามาเป็นตุ๊กตาเป็นของขวัญให้มาเป็นเพื่อนเราพาเราไปไหนมาไหนด้วยกันเราเป็นเหมือนฝาแฝดเนี่ยร่างกายนี้เป็นแฝดน้องใจเป็นแฝดพี่ไปไหนต้องไปด้วยกันแในเวลาแฝดน้องตายนี่แฝดพี่ไม่ได้ตายด้วยแตดพี่นี้ไม่มีวันตาย ใจไม่มีวันตายหลังถ้าน้องตายไปเดี๋ยวแฝดพี่ก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปหาพ่อแม่คนใหม่ต่อท่านั่นเองดังนั้นไม่ต้องไปยึดไปติดไปห่วงไปห่วงร่างกายมากจนเกินไปดูแลไปตามความเหมาะสมตามเหตุตามผลดูแลได้รักษาได้ก็ดูแลไปเพราะเรายัางต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นเครื่องมือที่จะพาให้เรา บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆอยู่แต่ถ้าเราได้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นสูงสุดแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันจะไม่รักษาก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วท่านมักจะไม่ไปโรงพยาบาลกันท่านไม่อยากจะไปไปไปเสียเวลาพูดง่ายๆแต่บางทีท่านก็ถูกบังคับญาติโยมผู้มีศรัทธาเคารพนับถืออยากจะช่วยรักษาท่านอะ อ่านก็เลยอ่ะก็โดยตามเลยอมันอยากจะรักษาก็ยอมไปบ า, บางองค์ท่านก็ไปนอนคืนสองคืนแล้วก็ขอกลับวัดเนี่ยหวงตามหาบัวนี่พระราชินีขอร้องให้ไปก็ต้องไปแตพอไปอยู่สักสองคืนก็ขอกลับนล้วท่านไม่ได้มีความเยื่อใยอะไรกับร่างกายท่านกลับเห็นว่ามันเป็นภาระเป็นกองทุกข์ภาระหาเวปัญจขันธ์ะ มันเป็นเหมือนกองไฟเวลาร่างกายไม่สบายมันเป็นไข้ทั้งตัวมันร้อนอยู่ตลอดเวลาไปอุ้มกองไฟไว้ทําไมสู้ให้มันดับมันดีกว่าให้มันหยุดหายใจพอหยุดหายใจปั๊บไฟไข้ต่างๆมันก็ดับไปทันทีนี่คือปัญญาของผู้ที่มีขั้นที่สามคือภาวนาไมายะปัญญาจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเช่นร่างกาย เมื่อร่างกายแก่ก็ไม่ทุกข์ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์เมื่อร่างกายตายก็ไม่ทุกข์เมื่อต้องพัดภาคจากร่างกายของผู้อื่นก็ไม่ทุกข์ <Yeah. S 1> นี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะมาหวานปัญญ า, มาเมล็ดปัญญาขั้นที่หนึ่งไว้ในใจของพวกเราขั้นที่สองหลังจากที่ไม่ได้ฟังธรรมแล้วเอาไปคิดบ่อยๆเตือนใจบ่อยๆ ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันแต่ถ้ามันยังไม่ยอมรับก็ต้องไปฝึกสมาธิทำใจให้เฉยพอใจเฉยแล้วมันจะไม่ต่อต้านมันจะรับความจริงพอมันรับความจริงมันก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือเรื่องของปัญญาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตชินังเปตานังอุ ป, ปการปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระสุยะถา มณีโชติภราสุยัาสัพพีติโยวิวัจฉานตุสัพพโลกวินาสตุมเตภาวตวันตรายุสุขิทีคาโยโกภาว พิวาทนสีลทธะนิจังวุธาปจายโนจตารธรมมะวะทานติอายุวันโอสุขามภาลางช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาเราจะมีทีมงานอ่านคำถามให้อันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ค่ะจาก Facebook พระอาจารย์ห้าร a อย b o o สิบเจ็ดพ อ, อจอ45 y o u สี่สิบห้าสองร้อยสิบิทยุสิบสามซูมสิบเอ็ด ผู้ระฟังที่กุฏิประมาณ120ค่ะรวมทั้งสิ้น926ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยอ่านถามได้เลยขออนุญาตเรียนถามก่อนค่ะในกรณีที่คุณแม่เป็นโรคหัวใจอัลไซเมอร์ความดันแล้วก็ไทรอยค่ะคุณหมอได้จ่ายยาแล้วคุณหมอบอกว่าถ้ากินยาเหล่านี้ไปสักพักหนึ่งจะทำให้ ตับเสือเส่อมไตเสื่อมทีนี้ถึงระยะแล้วพอไปตรวจร่างกายตับเริ่มเสื่อมไตเริ่มเสื่อมเราควรจะหยุดหยุดยาเหล่านั้นไหมคะ <S <S เพื่อไม่ให้ตับเสือเส่อมไตเสื่อมมันก็เรื่องของหมอกับคนไข้เราเป็นคนบุคคลที่สามเราก็ก็ต้องอยู่ที่หมอจะว่ายอย่างไรแล้วคนไข้จะว่ายอย่างไรเราก็ต้องเคารพในคำ คือคำคำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่คนไข้คือคุณแม่คุณแม่บอกแม่ไม่กินแล้วไม่อะไรแนละ้วอยากกลับบ้านกนะ็กลับบ้านไปถ้าอย่างอยากรักษาต่อไปก็รักษาไปค่ะคือคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ตอนนี้ติดเตียงไม่ไม่ไม่ไมไมคื อ, อคการรักษาอยู่ที่ที่เราทีนี้ไม่ทราบว่าถ้าเราหยุดยาเหล่านั้นจะเป็นการหยุดรักษาก็หยุดรักษาแ้วไม่ได้เป็นการฆ่าค่า กาปล่อยให้ร่างกายอยู่ไปตามธรรมชาติเหมือนสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการฆ่าตัว ต, วตา ย, ย่กันใช่ไหมพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้รักษาทั้งนั้นเลยก็รักษาตามสภาพสมัยนั้นก็ใช้สมุนไพรหมอก็หมอหมอชีวกใช่ไก็เป็นหมอก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆก็รักษาไป รักษาถึงขั้นที่มันรักษาไม่ได้ก็รักข้าไม่ได้มัน ก, ก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายกลาบขอบพระคุณค่ะคำถามจากคุณจิ๊บค่ะถ้านั่งสมาธิไปสักพักเกิดอาการปวดขาข้างขวามากแสดงว่าเข้าถึงฌานหรือไม่คะควรจะนั่งต่อไปโดยเอาจิตมองดูที่ความเจ็บปวดหรือลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนเจ้าขา ออยังไม่ถึงฌานหรอกถ้าถึงฌานแล้วจะไม่รู้สึกปวดกับร่างกายร่างกายเจ็บก็เจ็บที่ร่างกายแต่ใจไม่ได้ปวดไปกับร่างกายที่ความปวดนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากที่ใจใจที่ยังไม่สงบใจที่ยังว้าวุ่นขุ่นัวยังเครียดอยู่ถ้าเจริญสติอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ก็อาจจะผ่านขั้นีได้คือพอมันปวด ร่างกายเจ็บก็อย่าไปสนใจบริกรรมพุโทโธพุธโทโธแข่งกับมันแข่งกับความคิดที่จะไปคิดถึงความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายอยากจะลุกอย่าปล่อยให้มันไปคิดเนี่ยพยายามดึงมาให้มันคิดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะลืมความเจ็บแล้วพอลืมแล้วความทุกข์ความปวดในใจจะหายไปเราจะรู้สึกว่าความเจ็บของร่างกายนี้พอทนได้พออยู่กับมันได้ ไม่เดือร้อนอันนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าเข้าฌานแล้วถ้ายังทนกับความเจ็บไม่ได้นี่แสดงว่ายังเข้าไม่ถึงฌานก็ต้องพยายามเจริญสติต่อไปดูลมได้ก็ดูลมไปดูลมไม่ไหวก็พุทโธพุทโธไปพุทโธไม่ไหวก็สวดมนต์ไปเลยก็ได้สวดติปิโสไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บความปวด ตอนดูหนังปวดฉี่แล้วก็ไม่เดยสนใจกับอาการปวดฉี่เราก็ดูแต่หนังไปเฮ้ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วําลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ย <ś led> มันความปวดฉี่มันก็เลยไม่เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเพราะเราไม่ได้สนใจมันไม่ให้ความสําคัญทำไมคุณละลันกัลยาถ้าหนูป่วยหนักถ้ารู้ว่าต้องตายเพราะ ขอโทษค่ะถ้าหนูป่วยหนักก็ ร, รู้ว่าต้องตายควรจะทําอย่างไรคะหนูปรองไม่ได้เลยค่ะอ่าก็ให้ปรองนะถ้าปรองไม่ได้ก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมาปรองเพตอะ น, นั้นก็อย่างที่บอกถ้าพุโทโธได้ก็พุโทโธไปพุโทโธไม่ได้สวดมนต์ไปสวดมันไม่ได้ไไดก็ฟังธรรมไปถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าเจริญปัญญาได้ก็บอกว่าเป็นธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะตายก็ให้มันตายไป มนมีขั้นตอนของการปรงอยู่เป็นขั้นๆครับกราบนาำพสการ์พระอาจารย์ครับผมมีคำถามอยู่คือการการปล่อยนกปล่อยปลาอย่างเงี้ยครับแล้วมีบางคนสงสัยคือเพื่อนของผมนะครับเขาสงสัยว่าตกลงเราได้บาปหรือได้บุญ มันได้บุญนะเพราะว่าเราช่วยเหลือปลดเขาไปสูยอิสระาภิสระภาพเหมือนเราถูกติดคุบแล้วกนเข้ามาถ่ายเราไม่มีเงินเสียค่าค่าประกันตัวอย่างเงี้ยแล้วมีเพื่อนเขสงสารไม่อยากให้ติดคุกก็ไปประกันตัวเราทีนี้เราประกันแล้วเราออกไปทำอะไรเสียหายมันก็เป็นเรื่องของเราแล้วล่ะครับคนที่มาประกันเขาไม่ได้ได้บาปเขาได้บุญครับเพราะเขามีเจตนาช่วยเหลือเราให้ความสุขกับเรานะ แต่เราไปป้นไปจี้ต่อหรือไปถูกคนอื่นเขายิงตายนี่มันก็เป็นกรรมของเราไปบางคนก็บอกปล่อยนกปล่อยปลาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาครั บ, รบอันนั้นก็เป็นกรรมของนกของปลาขาดเนี่ยคนที่ปล่อยก็ปล่อยด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าอย่างนั้นก็ไปซื้อปลาที่ในตลาดสิในตลาดนี้เขามักจะไม่ได้จับมาเพื่อเอามา ม า, มาปล่อยแล้วมาจับใหม่ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าไปซื้อตามหน้าวัดนี่อาจจะไม่แน่เขาบอกว่าตามหน้าวัดนี่เขาเลี้ยงนกเขาอาหารนกใส่ ย, ยะใส่กัญชาหรือใส่อะไรให้มันกินแล้วมันติดเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนถึง ม, มาปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็บินกลับไปที่บ้านของคนปล่อยเพื่อไปกินกัญชาต่อกินต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องกรรมของมันครับนี่เกิดความสงสัยอย่างเงี้ยประ <c oughs> มาณนั้นก็ได้ละก็ คนทํามาได้บุญอยู่แล้วเพราะมีเจตนาที่บริสุทธิ์ต้องการช่วยเหลือเขาเพราะไม่รู้ว่าปล่อยแล้วจะไปยังไงใช่ไหมครับใช่ครับเ่าคิดว่าปล่อยแล้วก็คงจะไปอยู่แบบคนที่มีสารภาพครับแต่ถ้าเขาติดยาเสพติดเขาจะกลับไปหายาเสพติดก็เป็นกรรมของเขาไปครับก็ขอบคุณอาจารย์ครับคำถามจากคุณโฟ ผู้ดผู้ที่ได้พบกับความสุขจากสมาธิแม้เพียงครั้งเดียวสามารถทำให้เกิดอจระศรัทธาได้ไหมครับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่รนะ้อยเอร์เซ็นต์ถ้าอจระศรัทธาจริงต้องระดับพระอริยบุคคลขึ้นไปต้องระดับปัญญาถึงจะเป็นถาวรระดับสมาธิถ้าสมาธิเสือ่อมเดี๋ยวก็ลืมได้ถ้าไม่ได้เข้าสมาธิบ่อยๆเข้าไม่ได้เดี๋ยวก็เกลับไปกินเหล้าต่อได้ ถ้าได้สมาธิแล้วรักษาอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่เสื่อมสมาธิต้องคอยรักษาแต่ถ้าได้ปัญญาแล้วเห็นโทษของการดื่มชราว่าดื่มแล้วเป็นพิษเป็นภัยเข็ดหลับไม่กล้าดื่มอีกต่อไปอันนี้ก็จะแบบถาวรมีศรัทธานในศีลอย่างถาวรคุณเอสโบเลอร์ทำไมข้าพเจ้ามักจะต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวหลายครั้งแล้ว ไม่รู้จะไม่รู้ทําไมมักจะต้องเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวควรวางใจอย่างไรเจ้าคะทําไมบางคนเขาชอบอยู่แบบสันโดษเจ้าคะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมนะจะตั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมบรรไดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราอาจจะไปทําให้คนอื่นเขาอยู่โดดเดี่ยวนะไปกักขังเขาอยู่ในที่กักขังอะไรต่างๆให้เขาต้องอยู่โดดเดี่ยว เราก็เลยต้องโดนอยู่โดดเดียวบ้างส่วนสำหรับคนที่ชอบโดดเดียวเพราะเขามีความสุขจากการอยู่คนเดียวมากกว่าอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นแล้ววุ่นวายเนาะอยู่คนเดียวสบายกว่าอันนี้ก็เป็นเพราะเขามีความสุขจากความสงบเขาฝึกสมาธิไดนน้หรือหรือจิตของเขาไม่ค่อยไม่ค่อยหิวโหวยกับคนกับเรื่องราวต่างๆเขาก็เลยอยู่กับอยู่ตามลาทางได้ ถามจากคุณแอสโบเลอร์อีกนะคะอยากทำใจให้บริสุทธิ์ต้องทำอย่างไรมีวิธีการคิดวางใจอย่างไรคะก็เนี่หละต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาอยากเฉยเฉยไม่ได้อยากเฉยเฉยมันไม่อยากให้โรคหายเฉยเฉยไม่หายต้องกินยากินยาที่ถูกกับโรคกินปั๊บเดี๋ยวหายเลยกินเม็ดสองเม็ดหายเลยเีวันก่อนปวดกล้ามเนื้อเดินไม่ได้ พอกินยาระงับอักเสบกล้ามเนื้อเม็ดแรกก็รู้สึกอาการเบาขึ้ น, นพอเม็ดที่สามนี้หายเลยเดินได้ตามปกติเย็นก็ต้องกินยากินธรรมะโอสถธรรมะโอสดก็คือทานศีลภาวนาถ้ายังเอาเงินไปเที่ยวอยู่ต้องเอาเงินไปทําทานแต่งถ้าเอาเงินไปใช้กับของที่ไม่จําเป็นเอาไปทําทานให้หมดเงินนี้ให้เอาไว้ใช้กับของที่จําเป็นเช่นปัจจัยสี่เท่านั้น หรือเอาไปดูเลี้ยงดูคนอื่นเช่นบิดามารดาบุตริดาสามีภรรยานี่แต่ห้ามเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังเอาเงินเหล่า น, นี้ไปทำบุญให้หมดนิรานดรแล้วก็หัดรักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองอยี่สิบไปแล้วก็หัดภาวนาพุทธโธนั่งสมาธิฟังธรรมะบ่อยๆให้เห็น ใจรักเห็น น, นิจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งปวงก็จะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้คำถามที่สองจะคุณเอสโบโลค่ะใจที่ว่างจากความโลภความโกรธความหลงมีลักษณะอย่างไรเจ้าคะอันนี้สิป่าวว่าก็ไม่เท่าหนึ่งตายเห็นก็ไม่โลภมันก็สบายลโลภมันมันวุ่นไหมเวลาโลภเทวันหวยออกนี่ถ้าอยากจะให้ถูกหวยใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ คอดูว่าจะออกเลขอะไรจะตรงกับที่เราซื้อหรือไม่เนี่ยพอเราโลภแล้วมันมันจะทําให้ใจกระวนกระวายกัศบกัสายเวลาโกรกก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันโกรกก็อยากจะล้างแค้นอาฆาตพยาบาทเวลาไม่ตอนนี้ตอนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ไม่โลภไม่โกรกมันก็เป็นอาการแบบนั้นสบายไหมตอนตอนที่เราไม่โลภไม่โกรกเป็นยังไงเราก็มีอยู่เพียงแต่มัน มันไม่มันไม่ร้อยเอร์เ็น์ันยังมีโลคลึกๆอยู่ในใจยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่มันเลยทำให้ยังไม่รู้สึกว่ามีความสุขแต็ที่ถ้าอยากจะรู้ว่าตอนที่ไม่มีความโลภเป็นไงต้องนั่งสมาธนะิให้มันเข้าไปในอัปปนาสมาธนะิตอนนั้นมันจะไม่โลภชั่วคราวไม่โลภไม่โกรธชั่วคราวแต่ไม่ถาวรเดี๋ยวหลังจากออกจากสมาธิมันก็เริ่ ม, ม, มโลภเริ่มโกรธใหม่ได้ ถ้าจะให้มันโลภโกรธไม่โลภไม่โกรธแบบถาวรต้องใช้ปัญญาต้องเห็นโทษเห็นภัยของความโลภความโกรธว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆแล้วก็จะไม่ไม่กล้าโลภไม่กล้าโกรธตอนนั้นมันก็จะมันก็จะสบายใจไปตลอดอย่างถาวรคุณว ช, ชิรวิทย์เคยบวชเนนแล้วผิดศีลบางข้อจะบรรลุธรรมได้ไหมครับ ได้เพราะว่าคนคนปฏิบัติธรรมทุกคนก็ต้องมีการผิดศีลบ้างผิดศีลแต่ถ้ามันไม่เป็นศีลที่รุนแรงร้ายกาจมันก็ยังถ้ายังปฏิบัติธรรมต่อได้ก็ยังไปได้แต่ถ้าไปผิดศีลแบบต้องไปติดคุกติดตารางนี้มันก็อาจจะยากต่อการปฏิบัติธรรมหรือผิดศีลขั้นถูกประหารชีวิตเนี่ย แต่ถ้าผิดศีลแล้วยังสามารถไปปฏิบัติธรรมต่อได้ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้คุณโลกีผมเพ่งกะสินไฟจนภาพชัดเท่าตาเห็นแล้วดวงกะสินใหญ่ขึ้นทำอย่างไรต่อครับไม่รู้นะเราไม่ได้เล่นกะสินนไม่กล้าตอบเดี๋ยวสอนไปผิดเดี๋ยวจะผิดทาง ตอนนี้ให้เพ่งลมหายใจให้เพ่งธาตุลมแมทนธาตุไฟให้ดูลมหายใจพระลมหายใจก็เป็นธาตุลมกระสินไฟก็ต้องใช้ภาพไฟก็เมืไปดูภาพไฟแล้วก็หลับตามันึกให้มันภาพไฟอยู่ในใ น, ในจอภาพของใจถ้าเราเพ่งดูภาพไฟอยู่เรื่อยๆจิตก็จะเล่งสงบได้เป็นสมาธิได้ มันจะใหญ่จะเล็กก็คงจะเหมือนนมเนี่ยก็ปล่อยอย่าไปสนใจอย่าไปบังคับมันนมจะสั้นจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับเลย mm hmm. ก้อนไฟจะเล็กลงจะใหญ่ขึ้นก็ไม่ต้องสนใจขอให้เกาะติดให้มีก้อนไฟอยู่ในใจไปเรื mm ่อยๆถ้าเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ mm hmm. เหมือนกันลมกับไฟก็แบบเดียวกัน mm hmm. ดูลมก็ดูเฉยๆไปดูไฟก็ดูเฉยๆไปดูตามความเป็นจริงของมัน mm hmm. คุณหนูลือนามฝันว่าได้ไปเที่ยวเห็นชั้นที่อยู่ของสวรรค์แต่ละชั้นจะฝันซ้ําแบบนี้มาถึงสามครั้งเหมือนกันค่ะถามว่าจิตเราจินตนาการใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็เป็นจินตนาการความฝันก็คือความคิดเนี่ยแต่เป็นความคิดที่ดีเกิดจากบุญที่เราทําไว้มันถึยจะฝันเรื่องบุญได้เรื่องสวรรค์ได้ถ้าทำบาปมันก็จะฝันเรื่องฆ่าฟันกันเรื่องแกลงกันแกล้งกันโกงกันเกลียดกันทําร้ายกัน เพราะว่าการกระทำของเรามันจะถูกบันทึกไว้ในความจําของเราพอเรานอนหลับมันก็โผล่ขึ้นมเป็นความฝันไปคุณสวรรค์ทองเขาพระเจ้ากําลังเตรียมตัวจะบวชต้องเตรียมตัวอย่างไรและจะบวชได้ที่ไหนดีครับก็แล้วแต่เราจะชอบวัดไหนก็ไปบวชวันนั้นวัดก็เหมือนโรงเรียนนะ ตรงเรียนเราก็เลือกใช่ไหมจะเข้าจุฬาดีหรือเข้าธรรมศาสตร์ดีเข้ามหิดลดีก็<ม>แล้วแต่<ม>ก็ต้องไปดูเงื่อนไขของแต่สถานที่ว่าเขามีเงื่อนไขอย่างไรว่าแต่ละวัดเขาก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกั น, นก็ไปเลือกเอาวัดที่เราชอบถูกสเปคของเราส่วนทางใจก็พยายามปฏิบัติไปก่อนบวช<ม>บวชก่อนบวชรักษาศีลให้บริสุทธิ์ หาดไหว้พระสวดมนหาดนั่งสม า, สมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาธรรมมากไปอันนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่เราจะบวชคุณกหนกวันถ้ามุ่งหวังพระโสดาบันในชาตินี้ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะก็เหมือนกันน่ะต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเป็นทางทางเดียวกัน คำถามฝากถามนะคะเคยได้สัมผัสรับรู้ความสุขแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตสองครั้งจิตสงบและอุเบกขาตอนฝึกสมาธิทุกวันต่อเนื่องวันละหลายชั่วโมงประมาณสองเดือนแต่ปัจจุบันไม่เคยพบอีกเลยค่ะตอนนี้กลับพบว่านั่งแล้วตกพวังบ่อยบางทีก็หลับแม้จะนั่งไม่นานบางครั้งจะมีความท้อถอยเจ้าค่ะแต่ก็ยังนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ ก็เรื่องการรวมของจิตนี้มันเป็นของที่เราไปบังคับมันไม่ได้เราต้องบังคับด้วยสติของเราเนทะ่านั้นถ้าเรามีสติมากๆต่อเ น, นื่องมันโอกาสจะรวมมันก็มากถ้ามีสติน้อยสติอ่างโอกาสจะรวมก็น้อยเหมือนเมฆเนี่ยถ้าเมฆบนท้องฟ้ามีน้อยฝนจะก็อโอกาสจะตกมันก็น้อย บางทีเราต้องทำขนเทียมไปไปดึงมดไปดึงเมฆที่มันอยู่วางกันให้มันดูดกันเข้ามาหากันมากๆ ม, ม, ม, มันจะได้ตกลงมาเป็นผลได้งนั้นอย่าไปกังวลกับผลที่เราได้รับที่ผ่านมาแล้ว mm. มันเป็นอนิสงส์ของของเหตุก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเราอาจจะมีสติที่ดี mm. จิตก็เลยรวมง่าย mm. แต่ช่วงหนังนี้สติเราแย่ mm. มันก็เลยไม่รวม งั้ก็ต้องมาสร้างสติมาเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวผลคือการรวมของจิตมันก็จะเกิดขึ้นต่อไปคุณภัยทูลสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทํากิจของเราเช่นรดน้ําต้นไม้ที่พวกมดอาศัยอยู่ศีลจะบริสุทธิ์หรือไม่ครับถ้าเราไม่มีเจตนาไปทําร้ายเขาก็ยังบ่อยสุดอยู่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นถ้ารู้เห็นก็พยายามดิกเลี่ยงอย่าไป อย่าไปทำให้ข้าเดือดร้อนเสียอายคุณคุณทิดาเวลานั่งสมาธิฟังเทศไปด้วยบางครั้งเกิดความซาบซึง้งเช่นฟังประวัติหลวงปู่มั่นแล้วน้ำตาไหลออกมาแบบนี้คืออาการขาดสติใช่หรือไม่คะควรปฏิบัติอย่างไรคะอ๋อไม่หรอกเขาเรียกว่าปิติปิติเกิดจากการที่จิตสงบจิตซาบซึง้งต่อธรรมที่ได้สัมผัสเนี่ยไม่ได้ขาดสติแต่อย่างใด ก็อย่าไปสนใจก็แล้วการฟังต่อไปฟังต่อไปอาจจะเผลอสติช่วงที่มันเกิดปิติหยุดการฟังไปก็ดึงสติกลับมาแล้วฟังต่อไปเจ้คุณพรประพัฒนคำถามค่อนข้างยาวนะคะค่ะ การที่เราต้องการนำพาคนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมรวมถึงเตรียมอาคารหรือสร้างสถานที่เพื่อให้ผู้เพื่อให้ผู้คนไปใช้ในการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถือเป็นกิเลสไหมเจ้าคะอ๋อเนี่ยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะบุญสิในบุญบุญสิบประการนี้มีบุญข้อนี้อยู่คือการรับใช้ผู้อื่นลองทีเราไม่มีเงินทองที่จะมาทําบุญทําทานแต่เรามีเวลาว่าง เราก็ไปเป็นอาสาสมัครทำกิจอาสาไปทำประโยชน์โดยเสียสละเวลากาลังกายกำลังใจของเราเพราะเราไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะทำเช่นญาติโยมที่มาช่วยจัดสถานที่ที่นี่ก็เหมือนกั น, นี่มาเตรียมการถ่ายทอดสดมาเตรียมจัดหนังสือตั้งโต๊ะตั้งอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนกันมาทำบุญ คำถามต่อเนื่องนะคะหรือเราควรจะปฏิบัติเองอยู่คนเดียวดีกว่าก็แล้วแต่เราได้ทั้งสองอย่างถ้าอยู่ประหลาดคนเดียวก็จะได้บุญขั้นสูงกว่าเพราะเป็นบุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบจะได้ความสุขมากกว่าจะได้บุญมากกว่าคำถามต่อไปคะ่ะของของท่านเดิมนะคะรูปมีอาคารพาณิชย์หนึ่งคูหาสี่ชั้นและมีชั้นใต้ดินด้วย ประกาศขายมาหลายปีก็ขายไม่ได้พอปล่อยให้คนเช่า <Okay. S 1> เช่ากันไม่ถึงปีมีเหตุต้องย้ายออกไปหมดลูกกับครอบครัวไปอยู่เอง mm. ก็มีแต่ปัญหามาตลอดอาคารนี้อยู่ตรงทางสามแพง่งและมีต้นโพขึ้นทั้งหน้าและหลังด้วยค่ะ mm. ไม่รู้จะทำอย่างไรดีหาทางออกไม่เจอตอนนี้ <Okay. S 1> เลยตั้งใจเปิดให้ผู้คนมาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ชั้นบนและส่วนชั้นล่างจะเปิดร้านขายสังกัณฑ์ แบบนี้จะดีใหมเจ้าคะที่ทำบุญทําทานอย่าดีทั้งนั้นนะทาเป็นสถานที่ปฏิบัติทำไปเลยก็ได้ไม่ต้องขายสังฆทานอะไรก็ได้ฟรีทุกอย่างเดี๋ยวมีคนมาเอยเอนะแยะคุณรงชัยเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบดีแล้วระลึกถึงสังเวชนียสถานที่เคยไปที่อินเดียแล้วมีปิติเกิดขึ้นทำแบบนี้หลายครั้งจะเป็นสิ่งที่ควรทำบ่อยๆไหมครับ ถ้าเรามีความสุขก็ทำได้แต่ต้องรู้ว่าความสุขที่เหนือกว่า น, นี้ก็มีอยู่คือความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดจากความว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆแต่ถ้าเรายัง ไ, ไปไม่ถึงสุขนั้นเราอาศัยสุขระดับที่ไปก่อนก็ได้ทุกครั้งอยากจะมีความสุขก็คิดถึงบุญเก่าที่เราได้ทำไว้เวลาเราคิดถึงบุญเก่าบางทีความทุกข์ความวุ่นวายใจก็หายไปได้ คิดถึงว่าอ่าเราเคยไปทำประโยชน์ที่นั่นที่นี่ไปช่วยคนนั้นคนนี้คิดแล้วมันความรู้สึกเศร้าส้ายอยงอแงหรือว่าเวหรื อ, อรู้สึกไม่สบายใจมันก็หายไปได้แต่มันก็หายได้ชั่วครัง้งชั่วข่าวแต่ถ้าเราทำจิตให้สงบได้มันจะดีกว่ามันไม่ต้องไปนึก้เสียเวลาเพียงแต่หยุดนึกดีกว่า คุณชีวิตติดดินถ้าทำบุญแล้วควรขอพรไหมถ้าขอพรจะเป็นการเพิ่มกิเลสไหมคะการทำบุญนี่มันมีพรในตัวแล้วแหละไม่ต้องไปขอเวลาพาให้พรนีพ่พาไม่ได้ให้พรนะพาเพียงแต่ให้ธรรมะคือบอกว่าทำบุญแล้วจะได้อะไรจากการทำจะได้เจริญในอายุวันนะสุขภา ร, ระเป็นต้น เราสามารถแบ่งบุญที่เราทํานี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เวลาพระท่านสวดยะถาสัพพีมีแค่นี้ความหมายมเพราะเรามีบุญเราเราได้พรแล้ว<ม>เราสามารถแบ่งพรนี้ให้กับผู้ที่ขาดพรได้หรือให้กับตัวเราเองได้แทนไม่จําเป็นที่จะต้องไปขอมไม่ต้องให้มีพระมาสวดให้กับเราคุณปริชาติ ผู้ที่ถือศีลแปดแต่ยังช่วยเหลือตัวเองถือว่าผิดศีลข้อพรหมจัรย์ใหม่เจ้าคะครอบศีลแปดเขาไม่ได้ห้ามนะยังเพียงแต่ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเท่านั้นเองแต่สาหรับถ้าเป็นพระเป็นชีเป็นภิกษุเป็นภิกษุณี น, น, นี่รู้สึกเขาจะมีข้อห้ามไม่ให้หาความสุขจากการเสพการไม่ว่ากับผู้อื่นหรือกับตนเองก็ตามคุณภัยทูล ถ้าจะบวชภาวนานอกจากการบวชพระแล้วสามารถบวชอย่างไรที่สะดวกในการปฏิบัติสาหรับอาภัพบุคคลครับก็บวชเนนก็ได้หรือบวชพืนผ้าขาวก็ได้ซื้อเศษเศษแปดก็ได้เนี่ยที่เราเวลาไปบิณฑบาตแล้วเห็นผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวไปช่วยถ่ายบาตรพวกนี้เขาว่าถือเศษนปดถ้าเป็นเด็กก็บวชเป็นเนร ถ้าพร้อมที่จะบวชเป็นพระได้ก็บวชเป็นพระไปนั่นก็มีหลายระดับด้วยกันคุณโฟกถ้าขณะบริกรรมอยู่แล้วมีความคิดเกิดขึ้นซ้อนเข้ามาอยู่เรื่อยๆควรแก้ไขอย่างไรครับอย่าไปสนใจก็บริกรรมของเราไปแข่งกันไปเหมือนกับเป็นมีแสงเสียงแทรกทางโทรศัพท์ยบางทีพูดไปอาจจะมีเสียงแทรกก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็พูดของเราไป เขาจะแทรกก็ปล่อยเขาแทรกไปถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมของเราไปเดี๋ยวเสียงแทรกนั่นมันก็จะหายไปคุณลักษ์ถ้าระหว่างฝึกสมาธิแล้วคนในบ้านเรียกจึงทาจึงจำเป็นต้องละการฝึกเช่นนี้เกิดบุญหรือบาปใดไหมคะก็ขาดบุญไปต่อขาดเป็ตอนตอนไปตอนที่เราทำก็ได้บุญพอเราหยุดทำเราก็ไม่ได้บุญคุณอาจย์รี เคยเกิดความสุขในสมาธิแล้วไม่เคยได้อีกเลยค่ะต้องทำอย่างไรคะต้องตัดความอยากได้ความสุขนี้ไหมคะเวลานั่งก็อย่าไปอยากให้มันสุขเวลานั่งก็ต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะสุขหรือไม่จะสุขมันจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไปคอยนั่งเลงอยู่ด้วยว่า เ, เกิดหรือยังมาหรือยังถ้าอย่างนี้มันก็จะไม่มาเพราะเราไม่ได้อยู่กับเหตุที่ทาให้มันมา คืออยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมเรากลับไปคิดถึงมันว่าถามถึงมันหามันมันไม่มาหรอกอนั่นต้องลืมลืมผลที่เราเคยได้ในอดีตไปให้ดึงจิตมาอยู่ในปัจจุบันมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกับไม่เคยมีมาก่อนไม่รู้มาก่อนเอาคำถามสุดท้ายแล้วนะค่ ะ, ะคุณระเวงการเริ่มต้นปฏิบตัติควรเริ่มจากสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะ มันก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิคือคําสอนของพระพุทธเจ้าไงสัมมาทิฏฐิอันดับแรกก็คือคําสอนเนี่ยเราต้องเรียนจากพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิท่านก็สอนว่าพวกเราเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกันด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วพอมีสัมมาทิฏฐิเราก็จะได้มีสัมมากําลนันโตคือความคิด ที่ถูกต้องก็คิดที่จะทําบุญคิดที่จะรักษาศีลคิดที่จะภาวนาแล้วเราก็จะไปรักษาศีลมีสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาชีวะมีสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิไปตอนไหนที้เสือก้าจะได้มรรคผลนิพพานตามมาต่อไปเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจิตรณาไปปฏิบัติ